ก็บอกว่าบกต่แม่แม่ก็บอกว่าไม่ให้หนูมายุ่งแต่ฉันแม่ก็พูดไปแต่ว่าแม่ไอความเป็นแม่เป็นลูกนี้มันไปตัดไม่ได้แล้วเ่าไม่ยุ่งของแม่แม่อยากจะพูดคานั้นแต่ในใจของแม่เนี่ยหนูรู้ว่าแม่ไม่ได้คิดอย่างนั้น บอกบอกแม่ตรงๆอย่งนี้หนูรู้แต่ก่อนหนูก็เชื่อว่าอย่ามายุ่งกับฉันเนี่ยแต่ตอนนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนะี่ยหนูจะไม่เชื่ออีกแล้วะหนูจะยุ่งกับแม่อย่างนี้หลยอะไรอย่างนี้พูดคำนี้อะไหนูจะยุ่งกับแม่นี่แล้วก็วหนูเป็นลูกแม่ใช่ไหมหนูจะลูกแม่แล้วมันเป็นมนุษย์ด้วยจะ ต, ต้องดูแลแม่ ดางนั้นหนูก็ทําผิดผิดในกฎเกณฑ์ความเป็นมนุษย์ดไอ้คาว่าท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบเนี่ยทํากิจของท่านดํารงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมเนี่ยเมื่อท่านร่วงรับทําบุญอุทิศให้เนี่ยมันต้องทําตลอดเลยในเะมตายังต้องทําอยู่เหลอฉะนั้นไม่ยุ่งไม่ได้ต้องยุ่งแต่ตอนเนี้จะไปทําบุญอุทิศให้ก็ไม่ได้ตอนนี้แม่ยังอยู่อย่างน้อยฉันได้ตักน้ําให้แม่แม่ไม่กินก็ได้แม่จะปัดทิ้งก็ได้แต่หน้าที่หนูต้องทํา หนูมาเช็ดมังปัดมากวาดให้หาเสื้อผ้ามาให้ดูแลในส่วนที่หนูควรทําเพราะหนูไม่ทําแบบนี้แหละลูกก็เลยไม่ดูตัวอย่างหนูเลยเลยอ่ะเห็นไหมมันเสียหายไปเ ป, ไป็นแถวเป็นแนวหมดเลยนะแม่อย่าห้ามหนูเลยนะถึงห้ามหนูก็ไม่ฟังหรอกหนูจะยุ่งกับแม่แบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ย่งพูดอย่างเงี้ยเห็นไม่ไรกับแม่เราคุณแม่เป็นคนเก่ง ตอนนี้หมดเก่งแล้วไม่ต้องไปคิดเ่อเก่งแล้วแม่ก็จะรู้สึกว่าถ้า่มาดูก็ต้องคิดสุกของี่นะี้สึว่าแม่รู้สึกว่าคุณแม่หมดหมดประสิทธิภาพมคุณแม่จะสืว่าคุณแม่เี้ยที่ต้องู่เียแมต่อายุขนาดเนี้ยก็ไม่เป็นไรเข้าไปแคุณแม่รู้สึกว่าทําไมแลมันต้องมายุ่งเช่อทได้ไม่ไม่ไม่เป็นไรบอกว่าแม่แม่จะพูดยังไงก็พูดไปก็บอกเธออย่างนี้จะไม่อยู่กับความเห็นอีกต่อไปแล้ว แต่จะอยู่กับความเป็นจริงบอกว่าหนูอยากได้บุญจากการการทำเนี่ยไอ้แม่ 8, ตั้งแปดตั้งเก้าสิกว่าแล้วแต่หนูก็ยังมีโอกาสหนูต้องทำเรื่องดีๆไว้ในใจถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ได้ความภูมิใจในชีวิตที่เกิดมาเป็นลูกแม่แม่ภูมิใจที่เกิดมาเป็นแม่ของหนูเนี่ยใช่ไหมทำให้หนูมาแยะ่ยะ แต่หนูไม่ได้ทําตนเองให้เป็นที่ภูมิใจในฐานะที่ทําตอบแม่บ้างเลยเนี่ยไม่ได้หนูต้องทําแม่ห้ามไม่ได้เด็ดขาดต้องพูดอย่างงั้นหนูจะทําตั้งแต่วันนี้ไปวันนั้นแล้วจะทําบ่อยๆด้วยอยากจะกราบแม่จะดูจะทำเนี่ยนั้นจะเอาน้ำมาให้แม่แม่ไปกินก็ได้เสื้อผ้าให้แม่แม่ไม่ใช้ก็ได้อยากจะมานวดให้แม่แม่สลัดเท้าหนีก็ได้อยากทําอะไรทำแต่หนูจะทําหนูจะตื้อทําอย่างเงี้ยหนูรักแม่ จะมาความรักมันยิ่งใหญ่เนี่ยนั้นจะไม่ให้อะไรมาขัดขวางไม่ใช่เอาความเห็นมาขัดขวางบางที่เราเห็นอย่างนั้นแม่เป็นอย่างนั้นแม่เก่งแม่อะไรไม่สมเก่งก็เรื่องแม่เราทําอย่างนี้ไม่ใช่เก่งเราทำเพราะเราเราอยากจะทำํำเราทําอย่างเราเรารักเราถึงทําเรารักลูกเลยกอดลูกเลยแต่รักแม่กอดแม่ไม่ได้ชอบคนนะจะ <c oughs> <c oughs> ไหมละ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่รักถามว่ารักแฟนแล้วกอดแฟนไหม ทำไมรักแม่แล้วไม่กอดแม่ <c oughs> คิดว่าคุณอาจจะพูไม่คือคุณแม่เราไม่ได้กอดเราจะแต่เพราเป็นสามไม่เกี่ยวนี่<อ>เราก็กอด<ม><ม>แม่ได้ทำไมต้องให้แม่กอดเราก่อดเรากอดแม่ได้นี่เจ <c oughs> ๊ไหม <c oughs> ล่ะรักเพื่อนแล้วกอดเพื่อนได้เจ <c oughs> ๊ไหมแต่กับแม่กอดไม่ได้เย้นี่ชอบคนนะเนี่ยแต่กับเพื่อนก็ไม่ได้ทุกคนแร้ๆแต่อารมณ์พอมีรู้สึกว่าอ่าตอนนี้กับกับแม่ไม่ต้องใช้อารมณ์ไม่ใช่อารมณ ไม่ให้ใช้ให้ใช้ปัญญาอย่างเดียวใช้สิ่งที่ควรทําเหมือนกินยาขมแต่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมันไม่ควรกินเออมันไม่อยากกินแต่มันควรกินนะีน่เหมือนกันถึงแม้มันจะฝืนทําเลยไม่เป็นไรเนะข้าก็เข้า ก, ก็ก็ชํานาญเองใช่ไหมไปให้เหตุผลมากไม่ได้นะนต้องให้ความตั้งใจที่จะทำเท่านั้นเองเพราะอย่างนั้นเนี่ยไอ้ตัวเหตุผลของกิเลสมันเล่นงานเราจนเราไม่ไม่ได้ทําแล้วอ แล้วจนจะไม่ได้ทําอยู่แล้วอ่ะนี้จะไปทําตอนแม่ตายวันนั้นก็ไปนั่งร้องไห้เสลลบแล้วสลลบอีกจำไหมทำเสียวันนี้แล้วต้องรีบทำไม่ให้กลับไปเอาแม่ไม่อยู่แล้วยุ่งเลยแต่เนี้ย่จำไหมเราตอนนี้แม่ยังหายใจรอเราอยู่โอ้โหต้องเก้าสิบห้าแล้วคนเก้าสิบห้ามีกี่คนนี่แล่เก้าสองเก้าสองใช่ไหมยังไปทำงานอยู่ ถามว่าในประเทศไทยมี92อยู่กี่คนเจ้านั้นต้องรีบรีบปฏิบัติต่อเธอให้ไม่เต็มที่เสียใช่ไหมมีกี่คนนับคนได้เลย92ในประเทศไทยนับได้จริงไหมล่ะ92ในประเทศไทยนนับนับถ้าจะนับหัวได้เลยมีไค่กี่คนเนี่ยประชากร70ล้านเนี่ย92มีมีถึงมีไม่ถึงแสนขนาดนั้น คนอายุ92หายากเลยโอ้โหบอกแม่แบบนี้โอ้ oh, แม่หนูคิดคิดไปบอกนี่นะโอ้โ oh, หหนูมาตกใจแล้วอายุแม่แม่92แล้วเนี่ยหนูไปดูดูแล้วคนคนที่มีแม่อายุ92มีไม่กี่คนเองใน ใ, ใ, ในในในประเทศไทยอะ่ะโอ้แล้วหนูไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะแค่กอดแม่หนูยังไม่ได้กอดเลยเนี่ยโอ้ oh, แม่อย่าห้ามด้ขอกอดหน่อนเยเถอะ พูดจริงจริงไหมก็ไปบอกว่าขอก่ขอดออนะเถอเข้าไปก่อนเลยแต่เนี้ยโอไม่ได้แล้วมีมแม่อายุมากขนาดนี้เนี่เป็นปูชนียบุคคลนะเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรบูชาใช่ไหมหายากแล้วคนอายุทั้งเก้าสิบสองเนี่ยคนอื่นเขาเห็นคนอายุเก้าสิบกว่าก็พากันชื่นใจหนูมีแม่อายุเก้าสิบกว่าแต่หนูกลับไปเครียดกับแม่ยังไม่เอาแม่ไม่เอา่าคิดผิดเลยต้องบอกกับแม่แบบนี้เลยกระจายยังดึง พูดอย่างนี้แล้วก็ทำไปนะแม่โอ้อย่างนี้แม่จะห้ามอย่างไงไ้ยม่สนเจอหน้าที่ไรกอนทุกทีเ้ินไปกอดบ่อยๆดยก่อนจะไปทำงานกอนแม่ก่อนแล้วไปทำงานใช่ไหมไปทำอย่างนั้นจริงๆทำไมไม่ได้อยู่บ้านอยู่ไกลจากแม่ป่ะอยู่ที่กลนะโอ้ยแม่ตื่นที่ห้าไปทำงนลูกยังไม่ตื่นนะโอ้ยยังไตตื่นตีสี่ขึ้นโอเค เรต้องทำอย่างนี้นกอดแม่ก่อนไม่เป็นไรแม่จะไปทํางานก็เรื่องแม่แล้วแต่เขากอดก่อนแล้วพูดเลยบอโอไม่ได้แล้วถามว่าเพื่อนๆกันไม่เห็นมีใครมีแม่อายุเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเลยแล้วเพื่อนๆก็ยังกอดแม่ได้ทำไมหนูจะกอดแม่ไม่ได้บะาอ้ไม่ได้เลยเสียหายเลยนี่เสียหายมากอกาอดช้ากอดเย็นได้ไม่เป็นไรแล้วก็บอกรักแม่รักแม่บอกๆๆถามทําไมถึงบอกรักแม่ทุกวนัน เกิดแม่มีทรัพย์สมบัติซอดไว้ตรงไหนจะได้บ้างโกหกอกแม่ยังไงก็ได้ใช่ไหมจริงไม่จริงก็คืให้หมดแล้วบองเดือนก่อนคุณแม่ยกอะไรบางอย่างให้ไปแล้วจริงจริงไม่อยากล้างไม่กลัวแล้วผิดชอบไม่ฉีดคุณต้องรับผิดชอบอะไรนะลูกคนเดียวคุณแม่ดูแลทําให้มาตลอดเวลาดังนั้นรีบก่อนเลยดังนั้นโอ้โหทำไมแค่นี้ทําไม่ได้โอ้หาเสียดายยิงชีวิต ปล่อยมันทั้งเก้าสิบเอ็ดเก้าสบสองปีโอ้โหประมาทอยาพวกเราฉันเกิดเนี่ยอาตภาพได้ขออย่าได้ประมาทเหมือนพวกเราเลยนี่ประมาทนะจริงจริงมยจำแวนว่าประมาทไหมตัวประมาทมากเลยฉั น, นฉันฟังแล้วฉันขนลุกเลยประมาทไม่ควรประมาทนะยนี้ชีวิตมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยาวอย่างที่คิดนะอายุมันสั้น โอกาสที่จะทําอะไรดีๆกับคนที่เรารักเนี่ยให้ทําเสมอเหมือนหนึ่งว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของเราให้ตั้งความรู้สึกอย่างนั้นลองคิดดูทีถ้าเป็นวันสุดท้ายเราจะคุยกับลูกยังไง <medio> จะคุยกับแม่ยังไงจะคุยกับเพื่อนอยังไงจะมีบัตรต่อลูกต่อแม่ต่อเพื่อนอยังไงถ้าเป็นวันสุดท้ายจริงๆและยอมไม่ทําเสมอเหมือนหนึ่งเป็นวันสุดท้ายจริงๆนีให้ทําอย่างนั้นเพราะ โดยข้อเท็จจริงเราไม่รู้จริงๆ ร, ระหว่างพรุ่งนี้กับพบหน้าอะไรมันจะมาก่อนให้ปฏิบัติต่อกันเสมอเหมือนหนูวัดจุดทา้าให้ทำอย่างนั้นแล้วเวลาบอกแม่ก็บอกอย่างนี้แม่ไม่ได้หรอกหนูต้องทาเพราะวันนี้กับพบหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนถ้าหนูไม่ได้ทาเนี่ยถ้าทําแล้วหนูจะชื่นใจในสิ่งที่ทา ให้หนูได้ทำสิ่งดีๆเนะ่ให้เป็นให้เป็นสัญญาที่ดีเรื่องดีๆให้หนูเป็นเรื่องจดจำเกาไว้เมื่อมนุษย์จากกันไปก็เหลือแต่ความทรงจาหนูอยากทำความทรงจาที่ดีที่สุดในขณะที่อยู่กับแม่เข้าใจไหมอยากทำสิ่งความทรงจาที่ดีที่สุดเราอยากมาร์คสัญญาเรื่องดีๆไว้กับคนที่เรารักกับคนที่เราเกี่ยวข้องกับคนที่เรารู้จัก แล้วจะได้เอาไปเป็นกุศลในใจของเราเป็นที่ระลึกเราเลยภาคภูมิใจว่าเกิดมาเนี่ยเราได้เป็นมนุษย์กับเขามาจักชาติหนึ่ง เ, เราได้สิ่งดีๆเข้าไว้เป็เระลึกบ้างอันนี้ระลึกกลับไปที่แม่เราก็มีแต่เรื่องเครียดเรื่องกุ้งทําไมเราทําแบบนั้นแล้วทาทําไมใช่ไหแล้วเออเราเราต้องต้องแก้ไขสถานการณ์ให้เร็วที่สุดจะไปปล่อยให้ช้าอะไรที่มันขัดขวางอย่างที่บอกว่าขัดขวาง ควเป็นแม่เป็นลูกอะตัดทิ้งให้หมดแล้วเร่งทําเสียเสมอเหมือน อ, อ, อ, อ, อวันสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไงกับท่านเราจะพูดอย่างไงกับท่านเราจะคิดอย่างไงกับท่านทําอะไรที่เป็นความดี ท, ทําทําให้เต็มที่ไปเลยแล้วจะไปรอวันทำพวกนี้ทําไมเรารู้ได้ยังไงพวกนี้มันจะมีไหมมันเปลี่ยนเป็นภบหน้าเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าพวกนี้ไม่มากลายเป็นภบหน้าใช่ไหม แล้วบุญเราเนี่ยมันหมดกําลังเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็หมดเลยเนี่ยชีวิตเนี่ยที่มันยังอยู่ได้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเพราะว่าอะไรบุญรักษาอยู่ใช่ไหมกาลังกุศลรักษาอยู่เท่านั้นเองถ้ากุศลมันหมดมันก็หมดแล้วชีวิตเนี่ยเราก็เห็นอยู่เนี่ยเราก็เห็นอยู่ขับรถไปกลางถนนยอมรู้ไหมอุบัติเหตุจะเกิดเมื่อไหร่ไม่เคยรู้เลยเชื้อโลกในในใน ใ, ใ, ในอากาศเนี่ย เขาวิจัยมาทั้งสาม0 0ื่นหกพันชนิดที่สามารถจะทำให้ชีวิตตายได้กระทานังเนี้ยดูสินะมันรอดรอดรอดตายไม่ได้ยังไงถ้าไม่ใช่บุญรักษาแล้วเราจะไปมั่นใจได้ยังไงกำลังบุญมันจะดีใช่ไหมล่ะทำเลยอย่ า, ยาลีรอในในคำสอนท่านใช้คำว่าทำทันทีคุูสอนให้ทำทันทีถ้า ถ้าช้าไปแล้วบาปมันได้โอกาสพอบาปได้โอกาสปุ๊บมันมาแทกความรู้สึกมันยอมกิ่งเบนน่ะทําไม่ได้ไม่เคยทําเงี้ยทําไม่ได้หรอกเพราะยากอย่างเี้อย่างยอมเงี้ยเดี๋ยวน่ะแต่ทําไมบาปมันมันได้โอกาสทุกวันน่ะเห็นไหมไอบาปเนี่ยความไม่ดีปล่อยมันได้โอกาสทุกวันเลยนะแต่กับความดีเนี่ยโอ้โหมันจะกราบแล้วกราบอีกมันยังไม่ยอมให้เราทำน่ะทำไมเราต้องยอมมันขนาดนั้น เวลาจะทําไม่ดีเนี่ยโหมันมันเข้ามาโอกาสตลอดเช่นคิดไม่ดีกับแม่เครียดกับแม่โกรธกับแม่อุปบอยมันเล่นงานเราตลอดแต่ไอความคิดดีกับแม่ปฏิบัติดีกับแม่พูดดีกับแม่กับไม่ค่อยให้โอกาสโอกาสแบบนี้กับไม่ได้เลยอย่างก็ขอร้องมันแล้วขอร้องมันดีมันยังไม่ยอมเลยดูสิทำไมโยมต้องไปยอมกับมันขนาดนั้นใช่ไหมทําไมต้องไปยอมกับจิตเออบาปขนาดนั้นไม่เห็นต้องไปยอมมันเลย ก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปฉันขอเป็นศิษสาวบ้างเถอะขอให้ฉันทำความดีบ้างเ๋ย่ามาแซ่กับฉันมากเลยไม่เอาไม่เอาจะมาเพราะมันแซ่ก็จัดการเลยทําได้ไม่ยอมได้แล้วนะอะถ้ามันมาขอร้องมันบอกว่าแม่แม่แม่ไม่น่ารักสุดก็จะทําไงมันมาแบบเขาเดิหนีไปก่อนค่ะวิจะเดินหนีทำไมก็ต้องเถียงมันนี่น่ารักแม่ต้องน่ารักตลอดทาไมต้องไปเดินหนีอะ แล้วก็แก้ไขตรงนั้นนี่ให้ปัญญามาจัดการอยนี้ไม่ได้ถ้าถ้าถ้าบอกแม่ไม่น่ารักเราต้องรีบวิ่งไปกอดแม่เลยบอกว่าไม่ได้แม่แม่น่ารักแม่น่ารักต้องบอกนี่ถามทำไมเมื่อกี้ใจใจมันบอกว่าแม่ไม่น่ารักฉันไม่เชื่อมันรอไยใจแบบนี้ ม, นมันมันหลอกลวงฉันมานานแล้วต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็บอกแม่อย่างนั้นด้วยแต่แม่แม่เขากอดหน่อยนะครัเมื่อกี้อใจบอกว่าแม่ไม่น่ากอด <c oughs> เอาจริงๆมต้องสารภาพบอกแม่แบบนี้เมื่อกี้เนี่ยใจมันบอกว่าแม่ไม่น่ารักไม่น่ากอดผมไม่ได้ฉันไม่ยอมมันหรอกฉันยอมมันมานานเลยฉันไม่ได้กอดแม่เองฉันน่ะว่ามัน้ยนะทำได้ไ้มล่ะโอดูยาวเกินพานั่งเขี้ยวเข็นขนาดนี้อันนี้บอกทุกวิธีนะเนี่ยจะไปไห บอกก็ไม่ดีแล้วทุกคนมีการบ้านคิดว่าใครคิดว่าใครจะชนะความรู้สึกไม่ดีได้เร็วที่สุดใครสามารถจะทำได้ยอมทำได้ไหมจะไปยหญ่ต้องมีมีช่วงหนึ่งที่ที่คิด S 1> <S 1> <L an> แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ที่วิธีการก็คือว่าท่านฉันทำได้แน่นอนขอบคุณท่านมากใช่ไมถ้าพูเนี้ยฉันทำได้แน่นอนถ้าช่วงไหนที่มันมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันจะเป็นกรณีศึกษาอย่างมากที่ฉันจะต้องเอาชนะมันี้ได้เออวิธีการนี้พูดมันน่ากวา <L an> <S <S ้างใช่ไหมคำว่าถามทำได้ไหม ทำตาละห้อยดเดแล้วบอจับไม่ยินไปไม่จิงใจทำตาแล้วห้อยแล้วก็บอกว่าจะพยายามใช่ไหม พ, พูดเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าถูกถูกกำกับอยู่อะถูกใครถูกความรู้สึกไม่ดีกำกับอยู่ว่าตระวังนะ คุณต้องพูดอย่างนี้กับพระเนี่ยเดี๋ยวไปรับปากกับพระเดี๋ยวคุณทําไม่ได้เนนี้เหมือนคนมีคนคอยกํากับเราอยู่ <c oughs> ไปกลัวอะไรเราไปกลัวทําไมความคิดไม่ดี <c oughs> ความคิดไม่ดีมันไม่ได้มีกําลังอะไรเลยไม่มีกําลังมันอ่อนแอมากที่มันมีกําลังเพราะเราไปให้อาหารมันทุกวันแล้วก็ให้อาหารความคิดที่มันดีๆเยอะๆที่ เราก็ฉลาดในการให้อาหารมันตลอดใช่ไหแล้วก็รู้เนี่ยอะไรมันเป็นเชื้อมาเร็งทําไมเราไม่ให้มันนี่เราไม่เราไม่ให้มันไงอาหารที่ไปก่อโรคมาเร่งเลยอาหารที่ก่อโรคตับโรคปอดถ้าเราไม่ให้ใช่ไหมมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เหมือนการอาหารอะไรที่มันจะเป็นปัจจัยทําให้เราคิดไม่ดีกับแม่ปฏิบัติดีไม่ดีกับแม่หรือทำสิ่งไม่ดีคิดไม่ดีเราก็อย่าไปให้อาหารตัดกําลังตัดอาหารมันมันก็ไม่มีกําลังแล้ว วเวลาให้อาหารข อ, องอะไรพวกน้เกันอาหารก็คือให้ความคิดที่ไม่ดีมันมีกําลังเช่นเออมันมีเหตุผลนะที่ฉันคิดกับแม่แบบเนี้ยเพราะแม่มีพฤติกรรมที่ไม่ไม่น่ารักอย่างเงี้ยดูที่เนี่ยแม่ทําได้ยังไงแบบเนี้ยไอการคิดแบบเนี้ยใครเขาเรียกให้อาหารเขอ้าใจอย่าห ตัวใหญ่ย่างเนี่ยเขาเรียกให้อาหารบ่อยมากแบบเนี้ยมันก็โตดิความคิดแบบนี้นก็มีกําลังแล้วก็ครอบงำทำให้เราเป็นแบบนี้ดูสิเนะี่ะดูสีหน้าแววตาที่ออกมาที่เป็นปฏิปักษกับแม่เนลองคิดดูสิถามว่าใช่ไหมล่ะแม่ให้ทุกอย่างนีง้เป็นปฏิปักษกับแม่อีกใช่ไหมเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตตับจนถึงหัวใจสมองแม่ให้มาทั้งนั้น ต้องดึงเซลล์ในร่างกายของแม่มาแม่ต้องโอ้โหเสียคุณภาพชีวิตขนาดไหนอะที่มาม า, ม า, ม, ามาเป็นเราเนี่ยแม่ให้ชีวิตนี่ยว่างนั้นเถอะแต่กลับไปคิดกับคนที่ให้ชีวิตแบบเนี้ยถามสมควรไหมก็ต้องถามไอคิดแบบนี้สมควรไหมไม่สมควรจะไหมล่ะยิงไหมยริง เออเนั่นแหละยังไปคิดอะไรตกติดกับแม่แม่ต้องนุ่นกับเราอย่างนี้กับเราโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดใช่ไหมก็สมควรแล้วที่แม่เป็นอย่างนั้นก็ปล่อยแม่เป็นไปที่แต่ทําไมเราต้องไปเป็นด้วยล่ะแล้วก็ทำํำในสิ่งที่เราควรทําคือหนึ่งหน้าที่ของเราควรปฏิบัติต่อแม่เราก็ทําให้เต็มที่ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านต่อบทำเต็มที่ทํำกิจของท่านดํารงวงศตระกูลทําตนให้เหมาะสม นะทํากิจของท่านมีความเชื่อเมตตาในท่านปฏิบัติดีต่อท่านกระตันยูรู้คุณท่านแล้วก็ตอบแทนคุณของท่านมปนหน้าที่เราส่วนหน้าที่ท่านไม่เกี่ยวท่านจะฟุ้งซ่านเป็นยังไงทําผิดไม่ถูกไม่เกี่ยวไปเรื่องของแม่แต่เรื่องของเราเราต้องทําให้ดีไม่ใช่แม่ทําไม่ถูกเราก็จะทําไม่ถูกตามท่านมันเรื่องอะไรเราเราก็ทํามันถูกสิเข้าใจยัง ทำเสร็จก็ยังไปต่อรองกับแม่ต้องเป็นอย่างนี้นทํามาหารอะไรก็ไม่รู้แตกเราเป็นคนชอบกํากับเขาจังเลยเนี่ยแต่กับตัวเองไม่ชอบที่จะกํากับให้ทําให้สิ่งดีก็ทำให้ดีๆจะแม่จะเป็นยังไงก็ปล่อยแม่ไปใย่ไหมละ่ะแต่เราอ่ะคนดูแลตัวเราเองให้ดีว่าเราพนปฏิบัติกับแม่ถูกให้ถกูกให้ดีให้ยิ่งๆิ่ขึ้นไปเขาใจยังแต่ไม่ใช่พอไปปฏิบัติแล้วเนี่ยอุตส่าห์ทําแทบตายฉันขับรถมาเหนื่อย มาเนี่ยดูแม่มาทําอย่างนี้ดูสิฉันไปทํางานมาก็เหนื่อยฉันทํางานานาก็เหนื่อยทําไมแม่มาพูดกับฉันอย่างนี้ทําไมไปต่อรองอย่างนั้นละ่ะทำแม่จะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของแม่แต่เราเนี่ยควรทาให้ดีใช่ไหมควรปฏิบัติดีกับแม่ควรพูดดีกับแม่ควรคิดดีกับแม่แค่นี้พอแล้วพูดดีทดําดีคิดดียากไห้สามทางแค่นี้ยยากไ้หยก็ามล่ะฮนะ มันยากเลยเหนื่อยก็คิดดีๆทําไมคิดไม่ดีจะคิดได้ยังไงอะไรคิดได้ไอ้คิดไม่ดีคิดปั่นนอนไม่หลับยังคิดอยู่ทำไมทําไมขยันคิดยังไงไมเลยก็คิดดีนะมันไปยากตรงไหนอะก็คิดไม่ดียังคิดได้ใช่ไหมก็กลับมาคิดดีๆสิไอ้ที่ท่านทําให้เราในที่ดีๆมีเยอะไหมมีเยอะไหมทําให ที่ดีๆทาให้กับเรามีเยอะไหมล่ะหรือมองไม่เห็นอีก <c oughs> <c oughs> โอ้โหแย่อะเลยนี่ก็ทําที่ดีกับเราเยอะแยะหมดใช่ไหมล่ะ <c oughs> เราก็ไปปิดซะนี่อแปลกแม่ทําดีๆกับเราไม่เอามาคิดหมุนให้เป็นพันๆล้านล้านรอบแต่พอแม่ทําไม่ดีนิดเดียวเอามาหมุนเป็น ล, ล้านล้านรอบวิธีคิดอย่างนี้ก็ไปว่าให้อาหารความคิดผิดแล้วเจ๊ะไหมไม่แปลกทำไมเราคิดไม่ดีได้ได้ชํานาญมากแต่คิดดีคิดไม่ค่อยออก ทั้งทงที่ท่านทํำให้ทุกวันเยละๆทำให้เยอะแยะโอ้โ oh, ห oh, mm. แคจะเลี้ยงเราตั้งแต่อายุหนึ่งขวบสองขวบถึงสามขวบเป็นสามปีสามปีไอ้นี่ก็โอ้โ oh, หไม่รู้เท่าไหร่เลยนะแต่ละวันสามร้อยหสิบห้าวันเป็นหนึ่งปีไหมสามปียังยังเดินไม่ค่อยได้เลยสี่ปียห้าปีโอ้โหตั้งตัวไอ้หนูตัวนั้นก่อนจะโตขึ้นมาวอาโตขึ้นมาเขามีแรงเล่นแม่เลย มีพอมีแรงเงินมาโอ้โหแม่แม่ต้องนั่งฟังเนี่ยเขาก็เขาเครียดใช่ไหมจะให้ก็เขาเลี้ยงมาตแต่เด็กๆใช่ไหมเลี้ยงมากํากับมาไปไปมาเอ๊ะมันนั่งสอนอะไรเรานี่ยเขาเพใช่ไหมล่ะมันนั่งสอนอะไรเขาเขียนเราตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อยู่ในท้องเขายังมองเราก็มองเป็นไอ้หนูคนนั้นเข้าใจไหมแม่เรามองเราเป็นไอ้หนูเล็กๆไงต่อให้เราอายุมากขนาดไหนไปเรียนจบมากขนาดไหนเขาไม่เขาไม่สนนะ ก็คือไอ้หนูคนนั้นแหละไอ้ขี้แยคนนั้นแหละเพือนเดียวได้ใช่ไหมเขาจยังแต่เนี่ยแต่เรากลับไปคิดโอ้โหดิชั้นโตแล้วมีที่ภาวะอะไรต่างๆบางที่ไปอ่านข้อความอะไรมาไม่รู้ข้อความหมอคนนั้นหมอคนนี้มาโอ้โหไปกํากับแม่ดีเลยเนี้ยเนี่ยแม่เดี๋ยววอาจะไปชนะไหมนี่จะเป็นกังวลเลยตรงยอมแล้วลลเห็นเนี่ยจริงๆเราคิดผิดหรือถูกคิดผิดยังไง โอ้โหวดจะรู้ว่าคิดผิดยากเลยจะพยายามยอมจะพยายามใช่ไหมเลเมื่อกี้บอกให้พูดยังไงบอกท่านท่านสบายใจเลยยมทำได้แน่ให้ให้พูดแบบนี้ใช่ไหมถ้ามีความรู้สึก ที่ไม่ดีกับแม่มอะไรอันนี้จะเป็นกรณีศึกษาของโยมโยมจะต้องละมันให้ได้โยมมีความมั่นใจสูงเออถ้าพูดอย่างเงี้ยโอ้โหนะนี้น่าน่าเชื่นใจมันเป็นเรื่องน่าศึกษามากว่าทําไมเราต้องไปเป็นทาสของความรู้สึกที่ไม่ดีใช่ไหมเราจะต้องออกจากมาันนี้เราจะต้องชนะมันนี้ได้เราจะต้องมาทําความรู้สึกที่ดีๆให้เกิดขึ้นให้ต่อนเนื่องได้และเราจะต้องรีบทําด้วยเพราะเราจะไม่ปล่อยให้เลื้อนลังมากกว่านี้ ถ้ารอไปถึงวันที่ยมสมองอ่อกหโดกันยอมก็กลายเป็นทาสความรู้สึกที่ไม่ดีตลอดใช่ไหมะเรื่องอะไรเราเรารู้ความจริงตรงนี้แล้วเราไปยอมได้ไงใช่ไต้องเร่งคนขวน่าดีไหม <c oughs> มีอะไร ม, ะมีข้อกังขาอะไรคิดว่ามันยากไหมนี่ ยังลังเลอยู่นี่ตอนีค่าอะต้อยนอไรืที่้อยใจเราันที่สุดแล้วก็อยากที่สุดนี่อยากทำอะไรก็้แน่มีความสุที่สุด้างการอแม่เนี่ยคุณแม่คิดว่าแม่เขาสบายใจที่สอนแมเล็กแล้วก็ที่สังเกตอย่างนี้เคยเคยเจอที่น้องเอ่นะ้นมีใครจำแม่ไม่แต่วที่ดูนี่ยมสอนคนเล็ก น, นี่นะเธ อ, อไ อ, ไอ้อย่าอย่าอย่าเชื่อความรู้สึกอย่าเชื่องานวิจัยทําเลยเพราะว่าไอ้กรณีแบบนี้ไอ้ความรู้สึกแบบนี้ที่เป็นเหตุแห่งการเป็นการเป็นเหตุแห่งการฉลอในเรื่องการทําความดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจัยอะไรออกมาว่าไอ้กอดเด็กจะมีความสุขกว่าเลไรต่างอย่าไปอย่าไปอย่าไปกังวลเรื่องตรงนั้นที่เราทําเนี่ยเราทําเพราะเราอยากที่จะทําและการกระทําแบบเนี้ยมันเป็นความดีมันเป็นความดีเป็นสิ่งที่ควรท<อ>ํานั่นมันเป็นความดีเป็นสิ่งที่ควรทําเนี่ยการกราบแม่การกอดแม่การดูแลแม่เนี่ยมันเป็นความดี อย่าไปกังวลว่าแม่ไม่เคยทามาเราคุยกันแล้วในระหว่างพี่น้องอย่าไปกังวลตรงนั้นยอมเริ่มต้นทำก่อนและไม่ต้องไปสนใจคนอื่นจะทำหรือไม่ทำเพราะความดีเนี่ยท่านสอนว่าเมื่อเมื่อเกิดกุศลเกิดความดีขึ้นมาในใจแล้วเนี่ยให้รีบทำทันทีเพราะเมื่อทำความดีช้าไป เมื่อความดีขนาดจิตคิดดีๆมันหมดกำลังไปเดี๋ยวความไม่ดีมันจะมาแท็บมันจะไม่ได้โอกาสไอการคิดลักษณะ น, นี้เป็นการเปิดโอกาสให้ความคิดไม่ดีมันมีกำลังอย่างเดิมนะข้าวข้าวก็กลับไปอีกรอบเดิมแล้วก็ไม่มีการแก้ไขชีวิตก็จมอยู่อย่างนี้แหละไม่เปลี่ยนแปลงวิธีแบบนี้ยมใช้มากี่ปีแล้วแล้วสถานการณ์มันดีขึ้นไหม จริงๆนะมันควรสรุปผลได้แล้วว่ามันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้สถานการณ์แบบนี้ถ้ามันใช้ได้มันไม่มีเป็นแบบนี้หรอกจริงๆแล้วในด้านก า, กานวรวิจัยมันไม่ควรให้มันไม่ควรให้นานขนาดนี้เลยซ้าไปวอาออกไหม <S <S ถ้าเราทำอย่างนี้ผลจะออกมาอย่างไรอย่าไปกังวลแต่ให้กังวลความรู้สึกที่เราได้ทำในสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งที่ควรทําเหมือนการการกราบแมนะ่ควรทํำไหมลนะ่ะควรการบอกรักแม่ควรทำไหมควรทําการหาอาหารทําสิ่งทีด่ดีทั้งหลายให้แม่ควรทํำไหมควรทําแต่แม่จะรับหรือไม่รับอันนั้นเป็นเรื่องของแม่ไม่ใช่เรื่องของเราอะไรที่เป็นเป็นความดีทั้งหลายเนี่ยเราควรทําให้ท่านเมื่อทําแล้วเนี่ย ท่านจะใช้ไม่ใช้ไม่ได้เป็นไรเลยแต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีในใจเรานะเพราะเราได้ผลไถ่ได้ทําให้เต็มที่แต่เราโดยส่วนใจเราจะคิดว่าถ้าทําแล้วแม่ต้องกินทําแล้วแม่ต้องใช้อะไรก็แล้วแต่ไอความคิดตรงนี้อย่าให้มันเตลิดไปขนาดนะถามว่าให้มองถึงความดีที่เราได้สิ่งดีๆที่เราได้ทําแล้วจงภูมิใจในสิ่งที่ดีที่ทํานะถามว่าแล้ววันนี้ยอมลอง ย้อนดูที่มีความดีอะไรบ้างที่ยอมคิดแล้วภูมิใจในการที่ทำกับแม่มีไหมล่ะแทบจะคิดยากเลยเห็นไหมบางคนเนี่ยเขาคิดได้แทบทุกวันเลยนะบางคนคิดทุกวันเนี่ยก็จะมีเรื่องดีๆทำให้กับแม่ทุกวันเขาภูมิใจในการที่ได้ทำให้กับแม่เขาทุกวอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเห็นไหมสิ่งที่เขาทำ ถึงว่าแม่ยังจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเขาได้ทำสิ่งที่ดีๆเป็นตัวสัญญาที่เขา mark าเครื่องหมายทำเครื่องหมายดีๆไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเคยจูงแม่เดินเคยเข็นรถเข็นให้แม่เคยพาแม่ไปตัดผมเคยพาแม่ไปกินอาหารเคยพาแม่ไปทาสิ่งที่ดีงามาเคยพาแม่ไปบริจาคเคยพาแม่ไปลงทานอะไรก็แล้วแต่ไอสิ่งดีๆเขา m a เครื่องหมายไว้เยอะหมดเลยใช่ หรือพาแม่สวดมนต์อะไรก็แล้วแต่พาแม่เดินออกกําลังกายอะไรก็แล้วแต่สิ่งดีๆที่เขาเคยทําไว้มันเขาทําตัวกุศลสัญญาไว้จักไว้หมดเลยสัญญาดีๆทั้งหลายอันนี้มันดีกระใจายเข้าไหมดีสิเขาระลึกมาหลายโอ้เปความดีเกิดขึ้นตอนนี้องได้ตรงนี้เรามีหรือยังเออเรามีหรือยังระลึกแล้วมันชื่นใจมันปลื้มใจมันสุขใจมันโปร่งมันโล่งแล้วใจมันมีความสุขมีหรือยังตรงนี้ ไม่ใช่ว่าเราอยู่กับแม่เครียดเครียดตลอดแล้วลึกมันก็เฉยๆนะอย่าลืมนะแปลว่าเราบางทีมันทําดีจริงแต่ใจดีไม่เกิดความรู้สึกดีๆไม่เกิดกุศลความดีไม่เกิดสภาพจิตที่อ่อนโยนไม่เกิดสภาพจิตที่มันเป็นไปกับความโปร่โล่งเบามันไม่เกิดใช่ไหมเออมันก็แค่แค่ทําเมื่อเราทํากุศลวันเนี้ยถ้าจิตหรือความดีความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นมามันระลึกเมื่อไหร่มันก็ชื่นใจนะใช่ไหมตรงนี้ต่างหากที่มันมีคุณค่า ความดีตรงนี้จะมีคุค่ามองเห็นไหมะเนี่ยความรู้สึกดีๆตรงนี้ยอนต้องเร่งทาไว้ถามว่าถ้าแม่ไม่อยากให้ให้เราอแล้วเราไปขอเนี่ยนเหมือนเราไปเรคับความต้องการของเราดประเด็นคี้าเราถอมเขก็จะรู้สึกเข้ามาก ตรงนี้จริงๆบางครั้งเรายังไม่ได้ทําคือประเด็นตรงนี้ถามว่าบางครั้งทําไมเราต้องทําเราสามารถบอกแม่ได้บอกว่าแม่เออไอความความรู้สึกหนูเนี่ยต้องบอกเขาว่าหนูจะยุมากขนาดไหนหนูก็คือไอหนูคนนี้ บางทีเนี่ยไอค้ามีหนูมากอดแม่หรือหนูอยากหนูอยากจะนอนหนูตักแม่อะแบบนีลึกๆจริงๆเนี่ยแม่จะด่าจะตีหนูยังไงนะัหนูหนูหนูหนูกับความรู้สึกสุขใจมากเลยคนอื่นคนอื่นมาบอกลักหนูเนี่ยกับแม่บอกรักเนี่ยความรู้สึกในใจมันต่างกันคนอื่นมากอดหนูเนี่ยกับแม่กอดหนูหรือหนูกอดแม่ความรู้สึกมันก็ต่าง มองออกไหมความรู้สึกเนี่ยมันต่างไอความสัมพันธ์กันระหว่างความเป็นแม่เป็นลูกนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันอยากสัมผัสมันไม่ใช่แค่เพียงว่าทําอาหารให้กินจริงๆแล้วแค่จับมือเนี่ยมันมีความสุขนะแค่ได้ประคองเนี่ยมีความสุขนะถ้าความรักจริงๆมันเกิดขึ้นมองออกไหแล้วฉะนั้นถึงบอกว่าแม่ไม่อยากให้หนูทําอย่างนั้น บอกว่าบอกแม่เรื่องเนี้ให้แม่อนุญาตทีห่หนูทำด้วยนั่นคือวิธีการก็จะอย่างที่จะทําให้เราได้สัมผัสและอยู่ใกล้แม่มากขึ้นและมันจะได้บางครั้งเนี่ยคุยกันแทบตายมันก็ไม่เข้าใจกันมนุษย์เนี่ยแต่พอสัมผัสและอยู่กันนิ่งๆนีน่มันกลับเข้าใจกันมากกว่าบางทีเข้าใจอย่างทำอาหารให้กันกินแทบตายมันก็ไม่เข้าใจบางที บางทีแค่จับแขนจับมือเนี่ยแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดหรอกพูดออกมาเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันแต่แค่จับอย่างเงี้ยมีความสุขเขาใหญ่ยากนั่นแหละให้สัมผัสอย่างงี้<ส><ด>มันเป็นอย่างงั้น<ส><ด>เพราะว่าพูดทีไรมันคนละมันคนละเหมือนยอมยัเหมือนยมอมเคยคิดแบบเนี้ยเวลาพูดออกมาก็โผล่าเลยเห็นไยม ท, ทั้งทั้งทีแรกจริงๆมันคิดโอเคนะแต่เข้าแต่เข้ามันสงสัยขึ้นมาแล้วเอ๊ะน เข้าใจได้ยากความคิดแบบเนี้ยแล้วมันยากมากความคิดแบบเนี้ยฉันถึงบอกว่าอย่าให้มันมีเงื่อนไขขึ้นม า, เ, าเพราะว่าเงื่อนไขมันจะมีเยอะเดี๋ยวยอมกลับไปกับเอ๊ะที่ฟังมาพระไม่ได้เข้าใจเลยแล้วพระไม่ได้มาอยู่หน้างานนี่ไอเราเนี่ยอยู่อย่างนี้เรารู้ดีท่านอยู่แล้ว ย่าไอประเด็นแบบเนี้ท่ันเห็นมาเยอะเลยโยมแล้วแล้วไม่เคยเข้ากับแม่ได้แล้วก็กอดความเห็นไปแล้วยอมก็ตายกับความเห็นไปต่างฝ่ายต่างก็หันหลังให้กันโอ้โหโเกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันแทนที่จะรักกันมันจะเป็นศัตรูกันอยู่แล้วเป็นทําไมศัตรูเขาก็คิดต่อกันแบบนี้แล้วมันต่างกันตรงไหนอะศัตรูก็คิดไม่ดีต่อการน้อยใจการโกรธการเครียดใส่กัน ไม่ใช่ต่างอะไรกันโยมเป็นศัตรูหรือเป็นมิตรกันแล้วเป็นมิตรใช่ไหมล่ะแต่โยมรู้ดีอย่างว่าการกระทํำของโยมเป็นศัตรูมันเป็นศัตรูต่อกันเขาเรียกเป็นคู่เวนภาษาพากาเรียกคู่เวนต่อกันคิดไม่ดีต่อกันนั้นโกรธกันน้อยใจกันเปรียดกันไม่พอใจกันอย่างนี้หรือเขาเรียกแม่ลูกกันล่ะก็ <c oughs> <c oughs> จะให้ยังนดีน๋ยนี้ไม่ใช่เดี๋ยนี้ ถ้าถึงพยายามบอกแต่ไม่อยากพูดคํานี้ไงเมื่อกี้ฉจนจึงต้องพูดให้ฟังให้ใ ห, หมดนะอย่างเนี้ศัตรูเขาคิดกันแบบนี้ถ้าคนเขาปรารถนาร้ายต่อกันก็คิดแบบนี้ถ้าคิดเหมือนโยมคิดต่อกันนี่แหละเขาจึงไม่ทํากันพอไปเนี่ยอัตภาพถัดไปมันก็กลายเป็นศัตรูกันมันก็กีดให้ที่สัมสารวัตเป็นแบบนี้อย่าทําเลยพระขอบินทบาทใช่ไหมเข้าใจคําว่าขอบินทบาทนะเออใ ห, ให้ทิ้งความรู้สึกนี้เสียะ แล้วอย่าไปรังเลสงสยัยทํานะึ่งถ้าทําเต็มที่แล้วถึงมันถึงแม่จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ เ, เราไนดะ้ชื่อว่าเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้โกรธเราไม่ได้เราไม่ได้เครียดกับแม่เล็เามาไม่ได้กัวงวลกับแม่เลยนะีอะมากัวงวลความรู้สึกโยมก็าามาไม่ได้ไปพูดกับโยมแม่ของโยมนะ ามาคุยกับโยมนะลูกสอนไม่ได้ปักที่ที่ความรู้สึกของแม่แต่ลูกสอนปักที่โยมเอามาพยายามจะถอนลูกสอนขอโยมเนี่ยออกนะเพราะว่าเอามาไม่ได้มองว่าแม่มีปัญหาเนะี่ยไม่ได้มองว่าแม่มีปัญหาเข้าใจยังอมองว่าใครมีปัญหา เพราะว่าจริงๆแล้วลูกศรมันฝักความรู้สึกเรานี่มันเจ็บใช่ไหมอย่าไปถามว่าแม่ทําไมยิงลูกศอนยิงมาจากไหนเนี่ยต้องถูกสอนเสียบมาไม่ได้สนใจตรงนี้อมาเรื่ึกว่ายอมดึงออกสะแล้วก็รักษาแผลอามาไม่ใช่ตํารวจอามาทาตัวเหมือนหมอพระเจ้าไม่ใช่ตํารวจ ไม่สนใจเราคุณยอมจะไปถูกลูกศรใครยิงมาจากที่ไหนเสีย่ยงปากที่ไหนถ้าไปมัวอย่างงั้นเดี๋ยอมตายก่อนเข้ามาถึงเดี๋ยวอมมาตั้งข้อแม้ถ้าไม่รู้ว่าใครยิงยิงมาจากไหน ย, ไยังไงที่จะไม่ยอมผ่าลูกศรหนอย <c oughs> ตั้งข้อแม่จังเนี่ยตายดิเงั้ยยอมก็ตายก่อนยังไเจ้าออกแล้วไม่ออกความคิดแบบนี้ โอเคอ àng, <laughs> อกกันเะยนถอดยากเดี๋ยเมื่อกี้เราใส่ไปใหม่อีกว่าจะถอดออกมาแล้วยังใส่ไปใหม่อีกยัมขีงเขาออ ก, อ ย, ออกยังออกแค่ยัหออกยังแหวนเขาออกตั้งนานแล้วเขาออกตั้งแต่ปีที่แล้วเพวกเราไม่ย้อมเอออกกันแล้วก็บ่นโอ๊ยทรมานเหลือเกิน เอาออกแล้วอย่าเสียบได้ใหม่วันี้จะไปใส่ใหม่อีกแล้วนี่โอเคแล้วตันนี้